นโมตัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตัดสูเองโดยชอบพระองค์นั้นในช่วงตาวลานี้เป็นเวลาของการเจริญจิตตภาวนาการเจริญจิตตภาวนานี้สองส่วนหนึ่งคือเรื่องของรูปกายภายนอกสองคือเรื่องของจิตใจภายใน ในส่วนของรูปกายภายนอกสืบเนื่องจากภาคเช้าเนาะภาคเช้าเราได้สมาทานศีลถวายทานนี่เป็นกิจกรรมในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะพวกเราที่ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติ ท่านจะสอนที่ประมวลโดยหลักเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประมวลเอาในส่วนที่เป็นความสำคัญสำคัญต่อการประพฤติธปฏิบัติสำหรับคาะวะญาติโยมท่านให้หลักในการประพฤติธปฏิบัติที่ประมวลลงเป็นหลักของบุญกิริยาวัตถุ ทั้งสามประการหนึ่งบุญสำเร็จด้วยเรื่องของการให้ทานการบริจาคข้าวน้ำโภชนาหารจตรุ ป, ปัจจัยเทยทานทั้งหลายเป็นการเสียสละออกเหล่านี้คือบุญกิริยาข้อต้นสองบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล ข้อปฏิบัติเครื่องควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติท่านในแง่ยังเมื่อเช้าที่กล่าวถึงเวลาที่เราให้ทานประหนึ่งว่าเราทำกายวาจาของตนให้มีความใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยข้อปฏิบัติคือศีลให้อุปมาเสมือนหนึ่ง ภาชนะที่เราจะนำมาลองรับอาหารเป็นภาชนะที่มีความสะอาดจะทำให้คุณค่าของอาหารที่เราประกอบกระทำอย่างดีแล้วบริบูรณ์ขึ้นนี่เป็นลักษณะของศีลหรือในส่วนสุดท้ายที่เป็นเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ ท่านจะแสดงในส่วนของการเจริญเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาภาวนาแบ่งเป็นสองประการสมถกรรมฐานอุบายวิธีที่จะยังจิตให้เกิดความสงบระงับตั้งมั่นวิปัสนากรรมฐานอุบายวิธีในการที่จะทำความรู้ความฉลาด ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วก็เลิกละปล่อยวางถอดถอนสิ่งซึ่งเป็นอาสวะกิเลสที่เป็นเชื้อของความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหลายภายในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปนี่คือหน้าที่ของปัญญา ความรู้ความฉลาดที่กล่าวนี้คือในส่วนของบุญกิริยาวัตถุที่เรายึดถือเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติแต่เวลาที่เราเข้าสู่ในภาคของการประพฤติปฏิบัติสิ่งหนึ่งซึ่งยังคงเป็นแนวทางที่มีความสําคัญต่อการประพฤติปฏิบัติ กาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จะทรงแสดงมรคปฏิปทาแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์พระองค์ทรงแสดงมรคปฏิปทาในอริยสัจธรรมประการสุดท้ายมรคปฏิปทา8ข้อ สัมมาทิฏฐ <c oughs> ิความเห็นชอบสัมมาสังกปรดริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากรรมโตการงานชอบสัมมาอาชีวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบ สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบนี้คือส่วนที่เป็นความสำคัญของภาคการปฏิบัติตามอย่างที่พระบรมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เน้นในส่วนที่เป็นความสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมรคปฏิปทาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ที่พระองค์ปฏิบัติผ่านมาด้วยพระองค์เองเป็นประสบการณ์ตรงตั้งแต่ในสมัยเวลาที่พระองค์ได้เสด็จออกบวชเพราะความที่เห็นทุกโทษภทยในการที่จะต้องมาเวียนุายกนนาุกทุกกทุกทุกทนกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุก <c> ท <oughs> ุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุึงุกทุกทททุกทุกทุกทุอ ง, องุกทุกุกุ ในโลกียสุขทั้งหลายสละแมบุตรที่เพิ่งเจรประสูติในวันนั้นหรือพระราชายาคู่ทุกขุยากสเสด็จออกบวชโดยความที่ปรารถนาการที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ พระองค์ปฏิบัติเอาชีวิตเข้าแลกเอาชีวิตเป็นเดิมพันตามหลักที่เราท่านทั้งหลายได้เคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษาในส่วนที่เป็นประวัติของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้รับผลของการประพฤติปฏิบัติจากข้อปฏิบัติที่พระองค์ปฏิบัติเองจนมีความแน่ใจว่า จิตของพระองค์มีความใสสะอาดบริสุทธิ์จากการประพฤติปฏิบัติการที่พระองค์สามารถชำระอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ให้ตกล่วงไปจากจิตใจของพระองค์แล้วจิตใจมีความใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อของอาสวะกิเลสที่นอนเนื่องหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจเอาอต่อไปพระองค์จึงกล้าประกาศว่า พระชาตินี้เป็นพระชาติสุดท้ายที่พระองค์จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วเนื่หลังจากนั้นอาศัยพระเมตตากรุณาที่คุณในน้ำพระทัยของพระองค์นำหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์ออกประกาศเผยแพร่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นอรยิยสัจธรรมทั้งสี่ประการ ประการสุดท้ายคือมรรค ป, ปาิปทาข้อปฏิบัติที่จะกรธรรมที่สุดแห่งทุกข์เราทั้งหลายได้ศึกษาและเรียนรู้ในแนวทางเป็นมรรค ป, ปาิปทาเพืกก่เพื่อความง่ายต่อการที่จะจดจำแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติมรรคปฏิปทาแปดข้อ <c oughs> ย่นย่อเหลือลงเพียงแค่สาม ให้จดจำง่ายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปย่นยอ่อลงในส่วนของปัญญาคือความรู้ความฉลาดสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวย่นยอ่อลงในส่วนของศีลข้อปฏิบัติเครื่องควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติ สัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิย่ย่าลงคือเรื่องของสมาธิจิตมีความสงบระงับตั้งมั่นนี่จึงเป็นส่วนสำคัญในการประพฤติปฏิบัติแล้วพระพุทธองค์จะทรงรับรองไว้เลยว่าตราบใดก็ตามที่พุทธบริษัททั้งหลาย ยังไม่ห่างเหินไปจากการประพฤติปฏิบัติในมรรคปฏิปทาอยู่ตราบใดบุคคลที่จะพึงได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติก็ยังจะคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนี้เป็นการแสดงยืนยันชัดเจนว่าผลแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี้ยังคงบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ แม้ในยุคสมัยปัจจุบันอายุพระพุทธศาสนาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามเรายังมีโอกาสมาได้ยินได้ฟังในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี้อย่างบริบูรณ์ชื่นเชิงดังนั้นในเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติท่านจะแสดงถึงส่วนสำคัญ นำมาไล่เลียงดังที่ได้ย่นย่อสรุปกล่าวว่าจากมรรคาปฏติปทานำมาย่นย่อเหลือเพียงสามประการแล้วเราลองมาไล่เลียงดูในส่วนที่เป็นความสำคัญพื้นฐานอย่างเช่นในข้อต้นที่เป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติ เราก็คงต้องย้อนกลับมาพิจารณาในส่วนที่เป็นเรื่องของศีลเครื่องควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติเราในที่นี้คงจะยอมรับความเป็นจริงว่าตราบใดก็ตามที่กายวาจาของเรายังไม่เป็นปกติหมายถึงว่ากายวาจายังเป็นต้นต่อบ่อกเกิดในการที่จะไปก่อทุกข์สร้างโทษอย่างนั้นอย่างนี้ เราคงหวังไม่ได้ซึ่งความสุขความสงบที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองจากการประพฤติปฏิบัติดังนั้นเบื้องต้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมาคำนึงถึงเรื่องของศีลข้อปฏิบัติเครื่องควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติและสำหรับคารวะญาติโยม พระบรมศา ส, สดาทรงบัญญัติศีลข้อปฏิบัติเพียงห้าประการแต่ศีลข้อปฏิบัติห้าประการหากเรานํามาเทียบเคียงว่าในส่วนที่สําคัญของกายวาจาของคนเราทุกคนจะมีส่วนสําคัญสําคัญเพียงห้าส่วน หนึ่งคือสีสะหนึ่งแขนสองและก็ขาสองสีนี่แหละมาเป็นเครื่องควบคุมส่วนสำคัญทั้งห้าส่วนนี้เราลองพิจารณาว่าเวลาที่เราไปก่อทุกข์สร้างโทษสร้างบาปอากุศลใดๆเกิดขึ้นจากความที่เราอาศัย สิ่งสำคัญทั้งห้าส่วนนี้แหละเป็นตัวประกอบกระทำเวลาที่ไปทำบ่าวทำมากุศลต่างๆเกิดขึ้นโดยอำ น, นาจของมือทั้งสองข้างเกิดขึ้นจากเท้าทั้งสองข้างเป็นผู้พาไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยู่บนศรีรษะของเราท่านทั้งหลายคือเรื่องของปากและก็วาจานี้เอง สิ่งที่เป็นทุกข์ทภัยเวณบาปอากุศลต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องของปากเรื่องของวาจาของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นในเรื่องของศีลหากจะกล่าวให้ชัดเจนเช่นนี้ศีลทั้งห้าข้อเป็นเครื่องควบคุมในส่วนสาคัญในชีวิตของคนเราทุกคนคือกายของวาลกายและก็วาจานี้ให้เป็นปกติ อยให้กายวาจาของเหล่านี้ไปสร้างสิ่งที่เป็นทุกข์โทษภัยเวรต่างๆให้เกิดขึ้นนี้จึงเป็นความจําเป็นโดยพื้นฐานที่เราจําเป็นที่จะต้องมาพูดถึงในส่วนที่เป็นเรื่องของศีลแต่ในเวลาช่วงเวลาอย่างเช่นเวลาที่เราท่านทั้งหลายอยู่ในช่วงเวลาของการประพฤติปฏิบัติเรามาอยู่ในอริยบท ที่เป็นเรื่องของการเจริญสติมีความระลึกรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนรรมทำกายวาจาของเหล่านี้อยู่ในอาการที่เป็นปกติอาจกล่าวว่าเวลาที่เรามาเจริญจิตตภาวนานี้ศีลของเรามีความบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นตเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราไม่ได้ไปลักทรัพย์ เราไม่ได้ไปประพฤติผิดในทางกรรมเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติเราปิดวาจาเราไม่พูดจาปสาสัยสื่อสารอะไรอีกต่อไปสิ่งที่เป็นคาหยาบคำเพ้อเจ้อเหลวไหลต่างๆก็ไม่ได้หลุดล่วงออกจากปากของเราท่านทั้งหลายเวลาที่มาเจริญสติเช่นนี้มานั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาเช่นนี้ เราไม่ได้ไปดื่มกินสุราเมลยัยเครื่องดองของเมาที่จะบันทาลายสติปัญญาความเป็นปกติของตนเองเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราจึงควรมีความยินดีพอใจภูมิใจว่าอย่างน้อยศีลของเหล่านี้มีความบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาของการประพิปฏิบัติ นี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งว่าการประพฤติปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องเริ่มในเรื่องของศีลนี้เป็นการควบคุมกายวาจาซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องของจิตใจภายในส่วนหนึ่งและต่อจากนั้นเมื่อกายวาจาของเรามีความสงบแล้ว ไม่ได้เป็นต้นตอบ่อกเกิดในการที่จะก่อทุกข์สร้างโทษน้อยใหญ่ส่วนต่อไปให้เราท่านทั้งหลายมาพิจารณาในเรื่องของจิตใจภายในจิตเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคนเราทุกคนพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าจิตนี้แหละเป็นใหญ่จิตนี้แหละเป็นประธาน ที่เราสามารถประกอบอะไรอะไรได้ภารกิจหน้าที่การงานน้อยใหญ่มาจากการสั่งการในเรื่องของจิตใจภายในหรือแม้ในการที่เราพูดจปาป่าใสสื่อต่อความหมายกับบุคคลอื่นสั่งการมาจากเรื่องของจิตใจภายใน การคิดนึกในกระบวนการของความคิดปรุงแต่งทั้งหลายก็สั่งการมาจากเรื่องของจิตใจภายในเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติส่วนสําคัญจึงอยู่ที่เรื่องของจิตใจภายในแต่มันจะยากตรงความที่ว่าจิตใจนี้เป็นาธาตุนามธรรม จิตใจเป็นของไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเหมือนกับรูปร่างกายภายนอกแต่ในเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องมาควบคุมมาดูแลจิตใจภายในซึ่งไม่มีรูปร่างตัวตนมันจึงเป็นงานที่ยากพอควรดัในเบื้องต้นท่านจะสอนประการหนึ่งสอนให้เราทั้งหลายมาตั้งสติ สติคือความระลึกรู้ตัวให้เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นปัจจุบันครูบาอาจารย์ท่านจะสอนให้เรากำหนดรู้รู้ก็คือจะรู้อยู่ในส่วนมากที่เป็นเรื่องของกายในส่วนที่เป็นสติปฐานฐานที่ตั้งของสติความระลึกรู้ตัวกายะสติปฐาน ให้มากำหนดระลึกรู้อยู่กับส่วนที่เป็นเรื่องของรูปกายภายนอกในตัวของเราท่านทั้งหลายนี้เวทนานุปัสจนาสติปทานให้เรามากำหนดรู้ในส่วนที่เป็นเรื่องของความรู้สึกเสวยเวทนาสุขทุกข์ทั้งหลายจิตานุปัสจนาสติปทานมากำหนดระลึกรู้อยู่ในอาการของจิตใจภายใน อย่างเช่นว่าจิตมีลักษณะที่เป็นความผ่องใสกระตามความขุ่นมัวเศร้าหมองกระตามธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมากำหนดในองค์ธรรมกรรมฐานสรรพสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงตามหลักธรรมชาติเหล่านี้เป็นฐานที่ตั้งของสติแต่หากประมวลกล่าวสติความระลึกรู้ตัว หมายถึงว่าคงจะไม่รู้ออกไปจากนอกขอบเขตของกายวาจานี้แหละเป็นพื้นฐานเป็นภารกิจหน้าที่การงานในการที่จะให้เราทั้งหลายมากำหนดรู้อยู่ส่วนที่เป็นเรื่องของรูปร่างกายภายนอกกับอาการต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นในกระบวนการของจิตใจภายใน นี้จึงเป็นวิธีการปฏิบัติทางหนึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจะสอนในเชิงของการกำหนดสติเราจะมีความระลึกรู้ตัวชัดเจนอยู่ในส่วนใดก็ตามเพ่งดูเพียนเพ่งอยู่กับความระลึกรู้ตัวอยู่ในส่วนนั้นๆแต่แน่นอนว่าฐานที่ตั้งล้วนแล้วจะตั้งอยู่ในรูปกายภายนอกของเราทั้งหลายนี้เอง เราอย่าส่งจิตใจออกนอกให้อยู่ในขอบเขตที่เป็นปริมนทนรูปกายภายนอกรูปกายของเราท่านทั้งหลายนี่แหละนี่เป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งการกาหนดสติอย่างเช่นท่านให้กาหนดภารกิจหน้าที่การงานในการประพฤติปฏิบัติ เช่นให้เรามาตั้งสติระลึกถึงคำภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธดังนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นภาระหน้าที่การงานในการเจริญสติทาความระลึกรู้ชัดเจนอยู่กับคำภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธระับใดก็ตามที่เรายังไม่ลืมเลือนในส่วนที่เป็นคำภาวนาว่าพุโทโธแสดงว่ายังมีสติ เวลาที่คาภาวนาเริ่มเจะเลือนหายไปสติอ่อนกำลังลงแต่ขอให้เข้าใจวันเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นเรื่องที่ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจหรือในกระบวนการของผู้รู้เราก็มีหน้าที่ในการที่จะดึงกระตุ้นเตือนสิ่งที่เป็นเรื่องของสติให้กลับคืนมา มันจะต่อสู้กันอยู่ในลักษณะอาการอย่างนี้ในส่วนที่เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นลักษณะภารากิจหน้าที่การงานในการประพฤติปฏิบัติในองค์ธรรมกรรมฐานพระพุทธองค์จะทรงแสดงในส่วนที่เป็นองค์รรมองค์ธรรมกรรมฐานในการประพฤติปฏิบัติมากมายหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ที่แนวทางดังที่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านก็จะสอนว่าให้เรากําหนดน้อมนึกระลึกถึงคาภาวนาว่าพุทโธพุทโธดังนี้เพราะเป็นพุทธานุสติเป็นกรรมฐานที่ง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติเราไม่ต้องรู้อะไรมากไม่ต้องรู้อะไรเยอะมากาหนดเพียงคําบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธ อย่างนี้ง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติหรือท่านใดจะมีความถนัดจัดเจนในอุบายวิธีในองค์ธรรมกรรมฐานอื่นๆอย่างเช่นมาละลึกถึงลมหายใจเข้าออกของตนเองลมหายใจเข้าออกมีอยู่แต่เดิมมาโดยธรรมชาติตั้งแต่ในสมัยที่เรามาถือปฏิสนธิในคันของมารดา เรามีลมหายใจโดยธรรมชาติมาตั้งแต่ต้นแต่โดยปกติเราก็ไม่ค่อยได้มาใส่ใจกับลมหายใจเข้าออกของตนเองดังนั้นในเวลาที่เรามายึดถือลมหายใจเข้าออกเป็นองค์รรมกรรมฐานมาตั้งสติจดจอ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกของตนเอง ปรับแต่งลมหายใจเข้าออกของตนเองให้มีความสะดวกสบายอย่างนี้เป็นองค์ธรรมกรรมฐานประการหนึ่งแล้วแน่นอนว่าเวลาที่จิตใจของเราอยู่กับภารกิจหน้าที่การงานน้อยใหญ่แล้วจิตใจของเราจะค่อยๆตัดกระแสอารมณ์อื่นๆที่ก่อกวนจิตใจของตนเองออกไปตามลำดับ นี้เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติทางหนึ่งจิตใจจะค่อยๆสงบตัวลงมีความที่ซิ่งเราจะสังเกตได้คุณอักสง์ของจิตใจเวลาที่มีความสงบจิตใจที่สงบจากการประพฤติปฏิบัติผลอันิสงประการหนึ่งความเยือกเย็นปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเอง คุณ น, นิสองอย่างนี้เป็นคุณสมบัติฝ่ายดีเวลาที่เราลองสังเกตดูภายในจิตใจของตนเองมีความสงบจากการประพฤติปฏิบัติมันจะตามมาด้วยความเยือกเย็นเกิดขึ้นภายในเหล่านี้เป็นคุณสมบัติฝ่ายดีความเยือกเย็นมีอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม เหมือนสถานที่ภายนอกสถานที่ที่มีความเยอกเย็นจะไปดึงดูดให้ฝนตกต้องลงในสถานที่นั้นต้นไม้ใบหญ้ามีความสดชื่นงดงามในสถานที่นั้นนี้เพราะความเยือกเย็นจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเวลาโดยรับผลของการประพฤติปฏิบัติ คือความสงบจะตามมาด้วยเรื่องของความเยอเือกเย็นปากฏเกิดขึ้นภายในลักษณะนี้เป็นคุณสมบัติฝ่ายดีเป็นสิ่งที่จะประครับประคองจิตใจของเราให้เกิดความรู้สึกที่ดีและมีความอัศจรรย์ในการประพฤติปฏิบัติว่าการเจริญจิตตภาวนานี้เป็นของที่ไม่ลายผล มีผลที่จะยังจิตให้มีคุณสมบัติฝ่ายดีปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองนี่คือประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในเวลาที่จิตใจมีความสงบจิตใจของผู้ปฏิบัติจะมีความหนักแน่นมั่นคงเกิดขึ้นภายในคุณสมบัติอย่างนี้เป็นลักษณะของสมาธิ บุคคลที่มีจิตใจมีความหนักแน่นมั่นคงปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจในลักษณะอย่างนี้จะเป็นจิตใจที่สามารถต่อต้านกับกระแสอารมณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเวลาที่เราไปเกี่ยวข้องกับกระแสอารมณ์อื่นภายนอกจิตใจที่มีลักษณะที่มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ภายใน จะไม่หวันไหวเอ็นอียงไปกับกระแสะอารมณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นนี่คือลักษณะของสมาธิแล้วท่านใดก็ตามสามารถสร้างพื้นฐานที่เป็นคุณสมบัติอย่างนี้ให้ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองอยู่เนือง จะเป็นเครื่องที่จะสามารถต่อต้านกับกระแสอาสวะกิเลสทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเราคงจะยอมรับความเป็นจริงว่าในความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายเราจะต้องประสบพบเจอเกลือกล้วอยู่กับสิ่งที่เป็นเครื่องกระทบถูกต้องก่อกวนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่จะเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจของเราท่านทั้งหลายนี้เป็นเหตุจากเรื่องของสิ่งอื่นภายนอกบ้างเป็นเหตุมาจากเรื่องของจิตใจภายในเองบ้างดังนั้นตัวที่เป็นแม่บทสําคัญประการหนึ่งคือสติความระลึกรู้ตัวที่เราท่านทั้งหลายจําเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีความต่อเนื่องในการที่จะระลึกรู้ตัวสติจึงอุปมาสเสมือนหนึ่งเครื่องป้องกันจิตใจภายในอย่างเช่นเราอยู่ในเคหาสถานบ้านเรือนบ้านเรือนของเรามีลวรอบขอบชิดอย่างน้อยมันจะเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ นี่คือเครื่องป้องกันจิตใจจากกระแสอารมณ์อื่นภายนอกอันจะเข้ามาก่อกวนยุ่งเหยิงต่อจิตใจของตนเองอีกประการหนึ่งสติจะเป็นเครื่องกัน้นเวลาที่สติมีความเข้ ม, ขมแข็งจริงๆแล้วจิตใจภายในจะอยู่กับผู้รู้อยู่ภายในมันจะไม่สงสัยไปวุ่นวายยุ่งเหยิงกับกระแสอารมณ์อื่นภายนอก นี้จึงเป็นคุณประโยชน์ของสติทั้งสองด้านทั้งเป็นการที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจส่งสายออกไปรับเอากระแสอารมณ์อื่นภายนอกทั้งเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้กระแสอารมณ์อื่นภายนอกจรเข้ามาก่อกวนวุ่นวายภายในจิตใจของเราท่านทั้งหลายนี้จึงเป็นลักษณะที่เป็นพื้นฐานของสมาธิจิตสงบตั้งมั่น แนวในลักษณะของการเจริญสมาธิความสงบทั้งหลายเกิดขึ้นในหลายระดับคณิกะสมาธิความสงบเพียงชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็ถอนออกมาจากความสงบอุปจารสมาธิจิตใจมีความสงบยือกเย็นแนบแน่นยาวนานมากขึ้นอัปปนาสมาธิ จิตใจมีความสงบยาวนานนี่คือระดับของความสงบแต่ในทุกระดับของความสงบลวงนะ้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณมีอานิสงส์ต่อจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติก็ให้เกิดความรู้สึกที่ดีก็ให้เกิดความเ ย, อยือกเย็นก็ให้เกิดความมั่นคงภายในจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องลอเลี้ยงจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นท่านจึงจะแสดงว่าลักษณะของความสงบแม้จะเป็นความสงบในระดับใดระดับใดก็ตามที่ท่านกล่าวว่าความสงบเพียงช้างกระเพือหูงูแลบลิ้นเป็นสิ่งที่มีคุณมีอานิสงมาก ถ้าเรารู้จักวันนี้คือความสงบเราจะเพียรพยายามในการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความสงบให้ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองและจากอำนาจของความสงบนี้แหละจะเป็นเครื่องที่จะประครับประคองหล่อเลี้ยงต้องการกจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีเราจะมีความรู้สึกเป็นความอบอุ่นเป็นความปลอดภยัย อยู่กับผู้รู้อยู่ภายในนี้แหละนี่จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นเรื่องของสมาธิและวสิ่งที่เป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ท่านจะแสดงว่าเราก็มีหน้าที่แต่เพียงว่าจะเริยนให้มากกระทำให้มาก ให้เป็นพื้นฐานของจิตใจที่มีความหนักแน่นมั่นคงรักษาจิตใจของตนเองให้ได้อยู่โดยตลอดจากการที่เรามีความต่อเนื่องมีความเข้มแข็งของสติความละลึกรู้ตัวอยู่เสมอเสมอนี่จึงเป็นแนวทางที่เป็นการประพฤติปฏิบัติที่สำคัญประการหนึ่งนี่เป็นข้อปฏิบัติ ในส่วนที่สองที่เป็นสาระสําคัญของการประพฤติปฏิบัติในส่วนที่สพระพุทธองค์จะทรงแสดงในส่วนที่เป็นสาระสําคัญประการสุดท้ายคือให้เราท่านทั้งหลายมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการกระทําความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง อาศัยพื้นฐานจิตใจที่มีความสงบเป็นพื้นฐานอาศัยพื้นฐานกายวาจาที่มีความสงบโดยลักษณะของศีลเรามาเจริญปัญญาคือกระทําความรู้ความฉลาดที่เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของตนเองข้อมูลในการเจริญปัญญา พระพุทธองค์จะทรงแสดงให้เราท่านทั้งหลายโยนิโสมนัสิการคือกระทาความแยบคายไว้ภายในจิตใจของตนเองพินิจพิจารณาในสรร พ, พสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จะเป็นข้อมูลในการพินิษพิจารณานั้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในขบวนการของกายและก็วาจายห่งเราท่านทั้งหลายนี้เอง เราทุกคนตั้งต้นชีวิตมาโดยเรื่องของความเกิดเวลาที่เราอุบัติเกิดขึ้นแล้วขอให้มาพิจารณาว่าผลพวงของความเกิดที่ติดตามมาคือสภาวะทุกข์ที่เราท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงนีพน้นเวลาที่เราเกิดขึ้นแล้ว มีรูปประคันร่างกายไม่ว่าจะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามสิ่งที่เป็นสภาวะทุกติดตามมากับเรื่องของความเกิดเกิดขึ้นมาแล้วมีเรื่องของความแก่เป็นผลพวงของความเกิดร่างกายของเหล่านี้ค่อยๆเสื่อมโซมชราไปตามลำดับเราไม่สามารถที่จะต่อต้านขัดขืนได้ เราคงจะทราบถึงปฏิกิริยาของความเสื่อมความชราที่ปรากฏเกิดขึ้นอย่างเช่นในสมัยเวลาที่เป็นหนุ่มเป็นสาวสายตาของเหล่านี้มีความแจ่มใสชัดเจนในเวลาที่เรามองเห็นเวลาที่ความเสื่อมความชราปรากฏเกิดขึ้นสายตาก็เปลี่ยนเป็นพรามัวอย่างนี้เป็นต้น หูที่เคยได้ยินเสียงที่ถนัดชัดเจนถึงการหนึ่งเวลาหนึ่งความเสื่อมความชราปรากฏเกิดขึ้นกลายเป็นหนวกกลายเป็นตึงอย่างนี้ฟันที่เคยบดเคี้ยวอาหารได้แข็งแรงบดเคี้ยวอาหารได้เป็นอย่างดีถึงเวลาหนึ่งมันก็เริ่มโยกเริ่มคลอนนี่เป็นลักษณะของความเสื่อมความชรา ผมเผ้าที่เคยดกดาสวยงามเราเคยมีความพอใจภูมิใจกับความสวยสดงดงามของตนเองบัดนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นงอกเป็นขาวไปตามลำดับผิวหนังที่เคยเต่งตึงสวยงามเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของบุคคลที่ทัศนาเห็น บัดนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นเหี่ยวเป็นย่นยอนยานไปตามลาดับเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ในส่วนที่เป็นเรื่องของความชลาเป็นสภาวะทุกข์ที่จะปรากฏเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายแล้วแน่นอนว่าในสภาวะทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีใครที่จะสามารถต่อต้าน ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งในสภาวะทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เราจาเป็นที่จะต้องประสบพบเจอด้วยตัวของตัวเองทุกผู้ทุกคนไม่ว่าบุคคล น, นั้นจะเกิดมามั่งคั่งล่ำรวยมีอำนาจล้นฟ้าขนาดไหนขนาดไหนก็ตามหนีไม่พ้นจากสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงอย่างนี้นี้เป็นเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริง เวลาที่เราเกิดขึ้นแล้วผลพวงของความเกิดติดตามมาด้วยเรื่องของความเจ็บขื้นป่วยความวิปริตแปรปวนต่างๆเกิดขึ้นในรูปประคันร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ของเราทุกคนเราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าในชีวิตความเกิด มีอวัยวะน้อยใหญ่อย่างใดอย่างใดล้วนแล้วแต่เป็นเรือนรังของโรคเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกส่วนในรูปร่างกายของเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะเวลาที่เราเริ่มแก่เท่าชรลาการปรากฏการของความเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งชัดเจนลุน่แรงมากขึ้นมากขึ้น แล้เราจะต้องเยียวยาจะต้องดูแลจะต้องรักษาจนบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่ชัดเจนว่าตลอดชีวิตของตัวเองเราพยายามในการที่จะประกอบภารกิจหน้าที่การงานน้อยใหญ่ให้ปรากฏเป็นโภคขทรัพย์ปรากฏเกิดขึ้น เก็บหอมลอมลิบทรัพย์สมบัติต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่ในท้ายของชีวิตบางครั้งกางเจ็บไข้ได้ป่วยเบียดเบียนเราจำเป็นที่จะต้องดูแลเยียวยารักษาเงินทองทั้งหลายบางครั้งหรือบางคนอาจจะไม่พอต่อค่าหมอค่ายาเสียด้วยซ้ำไป นี่เป็นเรื่องของความเป็นจริงเป็นสภาวะทุกข์ในชีวิตที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเราทุกคนต้องประสบพบเจอเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณที่เป็นความเป็นจริงปรากฏเกิดขึ้นแก่เราท่านทั้งหลายความเป็นจริงประการสุดท้ายในส่วนของสภาวะทุกข์ เกิดขึ้นมาแล้วเราทุกคนบ่ายหน้าไปสู่ความตายไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพน้นเป็นสัพพินสัจจะทมความเป็นจริงประการหนึ่งความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนเกลียดทุกคนกลัวทุกคนไม่อยากที่แม้จะได้ยินแต่ในท้ายที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพน้น มันเป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่จะวนเวียนย้อนกลับมาหาเราท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนนี้เป็นข้อมูลในการที่เราจะนำมาเป็นข้อพิจารณาในการเจริญปัญญาบอกสอนจิตใจของตนเองให้เห็นในสิ่งที่เป็นสภาวธรรมทั้งหลายอย่างนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นกับจิตใจของตนเอง แล้วขอให้เรายอมรับความเป็นจริงว่าในสิ่งที่เป็นสัตย์จะทำความเป็นจริงอย่างนี้ในส่วนของสภาวะทุกข์ทั้งหลายมันเป็นสภาวะทุกข์ดั้งเดิมสภาวะทุกข์ทั้งหลาย <c oughs> ในส่วนที่เป็นเรื่องของความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและก็ความตาย เป็นตัวเดิมกับสภาวะทุกข์ตั้งแต่ในสมัยเวลาที่พระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นี้เป็นเรื่องของสัจ ธ, ธรรมความเป็นจริงในการเจริญปัญญาเวลาที่จิตใจมีพื้นฐานของความสงบจากสมาธิตามสมควรแล้ว เรานำพื้นฐานจิตใจเช่นนี้มาเจริญปัญญาพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเช่นนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาหรือในอื่นๆในบทอื่นๆของการเจริญปัญญาอย่างเช่นสอนให้เราท่านทั้งหลายมาพิจารณารูปร่างกายของตนเองว่า เสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงแท้ถาวรร่างกายของเราท่านทั้งหลายประกอบล้อมรวมขึ้นโดยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟแล้วก็ลมประกอบล้อมรวมเป็นรูปปันร่างกายของเราท่านทั้งหลายนี้แล้วในท้ายที่สุดเราทุกคนต้องส่งคืนธาตุทั้งหลายนี้กลับคืนสู่สภาพธาตุโลกตามเดิม ในเวลาที่คนเราแตกตายทำลายลงแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานในส่วนที่เป็นธาตุทั้งหลายเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธาตุโลกดินไปสู่ธาตุดินน้ำคืนไปสู่ธาตุน้ำไฟและลมกลับคืนไปสู่สภาพธาตุโลกตามเดิมมันจะมีอะไรเหลือพอที่เราจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนอีกต่อไป นี้ก็เป็นบทการเจริญในส่วนที่เป็นเรื่องของปัญญาความรู้ความฉลาดทั้งหลายให้ปรากฏเกิดขึ้นและอีกบทหนึ่งเราท่านทั้งหลายสามารถที่จะนำมาเป็นบทพิจารณาสอนใจของตนเองอยู่เนืองๆว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังคือเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้ถทาวน เป็นทุกขังคือไม่สามารถที่จะอยู่คงทนในสภาวะการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตลอดไปเป็นอนัตตาคือมันจะเป็นของที่ไม่มีรูปร่างตัวตนอันนี้จังความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท้ำกลางเสื่อมสลายไปในที่สุดทุกขัง มันไม่สามารถที่จะคงทนอยู่ในภาวะการอย่างนั้นอย่างนั้นได้ตลอดไปในสมัยเวลาที่เราเป็นเด็กในสมัยเวลาที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะรู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นๆเราจะมีความสุขกับความเป็นอยู่ในชีวิตของตนเองเราอยากจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันก็เป็นไปไม่ได้โดยลักษณะของทุกขัง มันไม่สามารถที่จะคงทนอยู่ในภาวะการอย่างนั้นอย่างนั้นได้ตลอดไปนี้จึงเป็นสัจธรรมความเป็นจริงปรากฏเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายแล้วในเวลาสุดท้ายปราการสุดท้ายเวลาที่คนแตกตายแล้วร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่สภาวะธาตุทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพธาตุโลก มันจะไม่มีอะไรเหลือพอที่เราจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนอีกต่อไปนี่เป็นลักษณะของอนัตตาคุณสมบัติอย่างนี้เป็นการบอกสอนจิตใจของตนเองโดยลักษณะของการเจริญปัญญาจะทำความรู้ความฉลาดให้ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองโดยมีผลว่า เวลาที่จิตใจมีความรู้ความฉลาดปรากฏเกิดขึ้นแล้วเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วจิตใจจะเกิดการเลิกการละการถอดการถอนปล่อยวางตามความเป็นจริงนี่คือลักษณะของปัญญาหรือในคุณสมบัติของปัญญาประท่านจะแสดงถึงว่าปัญญาอุปมาเสมือนหนึ่งแสงสว่าง บุคคลอยู่ในสถานที่มีแสงสว่างสามารถที่จะมองเห็นสรร พ, พสิ่งทั้งหลายได้ตามความเป็นจริงฉันใดเวลาที่ปัญญาความรู้ความฉลาดปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติจากการพิพจารณาในสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้ว สิ่งที่เป็นเรื่องของความยึดความถืออัตตาตัวตนทิฏฐิมานะทางหลายอันเคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนเองย่อมจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเป็นจริงนี่คือคุณลักษณะของปัญญาคือความรู้ความฉลาดอันจะเกิดมีขึ้นภายในจิตใจของตนเองจากการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีแนวทางอย่างนี้ กล่าวได้ว่าเป็นสาระสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ประมวลเป็นหลักธรรมคําสอนมากถึง 8.4000 สี่พันพระธรรมขันธ์เพราะความที่พระองค์ใช้เวลาในการประกาศศาสนา ยาวนานถึง45ปี45พรรษาตำมวนเป็นหลักธรรมคำสอนมีมากถึงขนาดนั้นแต่เมื่อเวลาที่นำมาสรุปเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญแล้วเหมือนดังที่เราท่านทางหลายยึดถือเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัตินำมาเป็นแนวทางแห่งการรักษาศีล ให้เป็นเครื่องควบคุมกายวาจาของตนเป็นปกตินำมาเป็นแนวทางแห่งการเจริญสมาธิกระทำจิตใจของตนเองให้มีความสงบระงับตั้งมัน่นปรากฏเกิดขึ้นนำมาเป็นการเจริญปัญญาคือความรู้ความฉลาดให้ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองจากการประพฤติปฏิบัติ นี้จึงอาจกล่าวว่าเป็นการประมวลถึงหลักธรรมคำสอนทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนานี้ย่นย่อเป็นแนวทางที่สมควรแก่การประพฤติธปฏิบัติแล้วเราทั้งหลายยังมีความเชื่อความเลื่อมใสในการประพฤติธปฏิบัติยังมีโอกาสมาได้ยินได้ฟังในหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา ส, ดาสมมาสัมพุทธเจ้า แล้วยังมีความเชื่อความเลื่อมใสในหลักของการประพฤติปฏิบัติน้อมนํามาเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเดตนของตนจึงขออนุโมทนาสาธุการในส่วนที่เป็นกุศลเจตนาศรัทธาความตั้งมั่นภายในจิตใจของเราท่านทั้งหลายแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากเราท่านทั้งหลายยังไม่เลิกละ จากความเชื่อความศรัทธาในแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เช่นนี้ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติในระดับใดระดับใดต่างๆย่อมจะปรากฏเกิดขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างแน่นอนที่สุดขอให้เราท่านทาั้งหลายมีความเชื่อมีความศรัทธาเลื่อมใสในแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ การแสดงธรรมะบางสิ่งบางประการจึงเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนีจาทูก็ขออนุมโมทนานะพวกเราทั้งหลายในยุคสมัยปัจจุบันเนาะดีใจที่เห็นพวกเรายังเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใส โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติแต่ปัจจุบันนี้นับวันมันจะยิ่งเริ่มลำบากขึ้นเนาะหนึ่งคือเป็นปรากฏการณ์ในเรื่องของธรรมชาติเนาะที่พูดถึงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเนาะความเสื่อมปรากฏเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเพราะพระพุทธศาสนาปัจจุบันมาถึง 2,500 กว่าปีแล้ว แล้วนับวันจะยิ่งมันเหมือนว่าความจําเป็นต่างๆที่จะทําให้เป็นเครื่องบรรทอนลดทอนสิ่งที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้เหมือนเวลาที่มาตอนแรกเนาะคุยกับท่านประธานบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะพยายามเน้นในแนวการปฏิบัติเช่นเรื่องของการเจริญสติพยายามทําให้มากเนาะ และก็เห็นด้วยนะแตมาเห็นด้วยขออนุมโมทนาแล้วขอให้พวกเราทุกคนนํนาไปใช้เลยนาะเป็นบทในการที่จะฝึกหัดตนเองเพราะตัวนี้มันจะเป็นแม่บทนะในการประพฤติปฏิบัติต่อจิตใจที่มีความสําคัญอย่างยิ่งพยายามลองฝึกในเรื่องของการเจริญสติอยู่เนืองๆ บ, บางท่านนะครูบาอาจารย์ท่านจะให้แนวปฏิบัติบตว่าตั้งแต่เราตื่นเช้ามาเนาะ ทำอะไรๆด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดพยายามเนาะแต่มันไม่ใช่ง่ายยมแต่เวลาที่มันเผลอไปอ่ะมันก็ไปไปแล้วก็ดินกลับอย่างเงี้ยก็คือต่อสู้กันหรือเหมือนอย่างที่ที่ฟังบางทีอย่างหลวงปู่ดูลงก็พูดนะไอ้หลวงปู่หลวงปู่ดุล น, นะท่านก็บอกเว е ลาไปถ้ามันหมดแรงมันก็ต้องกลับมาเนาะ บางทีมันก็ไปเที่ยวไปปรุงแต่งนั่นนี่ต่างๆไปเราจะดูนะสังเกตนี่คือเรื่องของอารมณ์จิตใจภายในทตนี้ถ้าเรามีสติก็คือระลึกรู้ตัวก็ดึงกลับมาทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆตอนนี้ส่วนที่เป็นความระลึกรู้ตัวบ้านอยู่ตรงไหนเนาะเหมือนถ้าเราไม่กลับบ้านเนี่ยหัวมันวุ่นเนาะถ้าเวลากลับมาบ้าน สู่เคาหาสถานบ้านเรือนของตนเองมันสบายเนาะเออมันไม่มีภยัยมีอันตรายเนาะจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายอไอ้ผู้รู้จะอยู่ข้างในเนี่ยเนาะสังเกตเวลาที่เราส่งออกไปเที่ยวเล่ล่อนน่ะคิดส่งออกท่านบอกว่าเป็นลักษณะของสมุทยัยคือนไปหาเรื่องเข้ามาเนาะ ต่อเติมสิ่งที่เป็นต้นตอบอกเกิดของความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเข้ามาสู่จิตใจของตนเองอันนี้คือลักษณะจิตที่ส่งออกอันนี้เวลาที่มันส่งออกเพราะความที่มันขาดสติหรือสติมันอ่อนดังนั้นที่ตะมาบอกว่าอย่างน้อยสติมันจะเป็นเครื่องกัน้นเป็นเหมือนรั้วเนาะเป็นเครื่องกัน้นหนึ่งคือไม่ให้ข้างนอกเข้ามา สองก็ไม่ให้จิตใจข้างในส่งออกไปรับไอ้ตัวนี้คือคุณนะนส่งอันนี้คุณประโยชน์คือให้พยายามที่เราทำอยู่เสมอๆและยอมจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะตัวนี้นะเวลาที่กำลังของสติดีขึ้นดีขึ้นมันจะเหมือนมีเครื่องที่เป็นสัญญาณเตือนไอ้เตัวที่ตัดไฟอตตัตโนะมัติเนี่ยนะยม เวลาที่มันจะมีอะไรมันจะช็อตขึ้นมามันจะตัดเลยเนาะอันนี้คือลักษณะอย่างนี้นะคือลักษณะของสตินะเหมันเป็นอัตเมติสวิตไปเลยเนาะมันจะช่วยได้อย่างนี้เนาะอันนี้คือการที่เราจะประคับประคองดูแลรักษาจิตใจของตนเองในเชิงของการปฏิบัตินี่ส่วนหนึ่งทําให้มากจเจริญให้มากเนะ จะย้อนจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองจะชัดเจนในเรื่องของสติความะระลึกรู้ตัวแล้วย้อนจะเริ่มรู้อมันปลอดภัยนะมันเหมือนมันมีเครื่องป้องกันนะะมันจะไม่ค่อยโดดเดี่ยวแล้วแต่นี้นะมันจะมีอะไรที่เป็นเครื่องป้องกันจิตเราจะมีภูมิต้านทานนะี่ยอย่างนั้นโอโหมันไปเจอนน่นเจอนี่นะ ถ้ามันมันตัวนี้มันไม่มีเครื่องป้องกันเนะ่เหมือนร่างกายโยมเวลาที่เรามีความแข็งแรงมันมีภูมิคุ้มกันในตัวเองเนาะไอเชื้อโรคมันมีอยู่รอบรอบเราเนี่ยนะแต่มันก็เข้ามาทำะไรเราไม่ได้เนาะไอ้ น, นี้ก็เช่นเดียวกันเนาะลักษณะของสติจะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของตนเองอันนี้ข้อหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ คือเยนี้ในกระแสที่เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแม้ในหลับทำคําสอนต่างๆย่อมว่าอาจจะสับสนเนาะเวลาที่เราไปฟังหรือไปติดตามข่าวสารต่างๆนั้นนี้มันมีเยอะมียุ่งเนะเาะไอ้หลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องแต่ต่อมาว่าถ้ามีข้อยุติซึ่งเราปฏิบัติได้ข้อยุติได้ด้วยตัวเองย่อมจะไม่ค่อยไปกังวล วุ่นวายอะไรกับสิ่งที่เป็นกระแสเนาะข้อยุติก็คือในหลักที่พูดถึงในเบื้องต้นเวลาที่เรามาปฏิบัติในส่วนของศีลเอาศีลมาเป็นเครื่องควบคุมกายวาจาเป็นปกติอันนี้คือข้อยุตินะถ้ายอมรู้จักคุณนานิสงของศีลเนาะเวลารักษาศีลดีแล้วยอมไม่ต้องไปถามใครเนาะ ก็ศีลรักษาตัวเองเนาะถ้ารู้จักคุณนานิสง์ของศีลนี่เป็นข้อยุติในเชิงปฏิบัติเวลายมมาเจริญสมาธิมานั่งสมาธินะถ้ายอมรู้จักเออจิตมันมีความสงบบ้างหรือถ้ามันไม่สงบก็ยังรู้จักว่ามันไม่สงบนี้สแสดงอะไก็ยังดีเนาะอย่างนี้มันจะเป็นข้อยุติ ในส่วนของสมาธิแต่เราก็เจอมันก็เป็นนี้เนาะเราจะมีความมั่นอกมั่นใจเวลามาเจริญปัญญาเห็นทุกเห็นโทษทั้งหลายตามความเป็นจริงก็ไม่ได้ไปดูอื่นเนาะก็ดูที่ตัวเองมันเข้าใจด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นข้อยุติแล้วเวลาที่เราทั้งหลายได้ประสบผลจากการปฏิบัติอย่างนี้ด้วยตัวของตัวเอง สิ่งที่เป็นความลังเลความสงสัยความกัวงวลต่างๆค่อยๆหมดไปตกล่วงไปอันนี้นะจิเป็นข้อดีข้อเด่นที่จะฝากเราท่านทั้งหลายไว้เนาะพยายามทำผลของการปฏิบัติต่างๆให้ปรากฏเกิดขึ้นกับตัวของตัวเองแล้วเราจะมีความมั่น อ, อกมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติแล อ, อุปมาตัวหนึ่งย่อม คนของการปฏิบัติเวลาเกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นลักษณะที่เป็นปัจจิตตังเราจะรู้ได้เข้าใจได้ด้วยตัวเองเนะี่ยไม่ต้องไปถามใครเนาะเวลายอมทานข้าวอะ่ะมันอิ่มยังไงมันอร่อยยังไงเราไม่เห็นต้องไปถามคนอื่นเนาะมันรู้จัก ด, ด้วยตัวเองอย่างนี้นี่คือคุณสมบัตินะการปฏิบัติเช่นเดียวกันเนีย่ยเราก็พยายามทําตรงส่วนนี้ขึ้นมาเนาะ ความสงบลมเย็นต่างๆความรู้ความฉลาดต่างๆคุณนานิสงของศีลความสงบลมเย็นจากการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วเวลาที่เรามีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่มีความมั่นอกมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองเราจะไม่ค่อยไปหวั่นไหวกับกระแสนั้นกระแสนี้เนาะ นล้วจะให้เราไปต่อลาะต่อเถียงกับใครเราก็คงไม่เอามันไม่มีประโยชน์นะเนาะเดี๋ยวนี้ก็สังเกตว่าถ้าเราไปเสพไปฟังมากๆมางทีมันวุ่นวายนะเนาะก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนาะมันจะกลายเป็นยุ่งเหยิงเปล่าๆแต่ว่าวิธีอย่างหนึ่งก็บอกว่าที่ดีที่สุดหาข้อยุติจากการประพฤติปฏิบัติของตนของตนให้ได้ ที่นี่ก็จะดีอย่างแต่มาว่าเออก็มาเห็นเนาะหรือว่าที่ได้ยินครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์เนาะมาเมตตาในสถานที่นี้ที่ว่าก็พวกเราเป็นผู้ที่มีบุญเนาะได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆเนาะใ น, ในระดับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเราเชื่อว่าท่านเป็นผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบมาสู่สถานที่นี้ท่าก็บอกว่าในสถานที่ใดก็ตาม มีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไปสู่สถานที่นั้นสถานที่นั้นเป็นมงคลนะที่นีก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มงคลเนาะสังเกตเราสังเก ต, เกตไหมเวลาเข้ามามันรู้สึกมันสงบมันร่มเย็นเนะอแต่หนึ่งเย็นเพราะเปิดแอร์นะก็เย็นแต่ธรรมดามันเย็นเลยโยนยังลองสังเกตนะถ้าไปตรงไหนมันเย็นมันสบายาแสดงว่ามันเป็นที่ดีที่มงคลนะเนาะ เวลาเรามาก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้การประพฤติปฏิบัติของเราจเจริญขึ้นนะจงขออนุโมทนาเนาะตอนนี้ให้ตั้งใจรับ